ในในอนาคตจักรก็จับะลุวยเลยอริยสัจสีคือรู้สืบทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความดับลงแห่งทุกข์ได้นิพพานนี่โรสะนี่โรดน่ะดับสอนแค่นี้แต่ก็ขยายทันออกมาได้เกินทั้งที่ยันย่อไม่จัดสมาสาร ยากนี้แม้แต่กรรมาฐานท่านก็ย่อลงเหลือแต่สมถะกับวิปัสนาฮะแม้แต่ขันห้าท่านก็ย่อลงมาเหลือกายกับลูกกนามถอะแต่พวกเราก็ชอบขยายออกไปเพื่อมันไถลาะนะทาไมแมให้มันชรุดลงมาไปขยายออกทําไมฮะถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งว่าทําไมจะตัดภบชาติได้ มึงัดไม่ได้เราถ้ามึงคิดอยากจัดถ้ามึงไม่ฝึกอาณาปารสติไม่มีทางสร้างสายอื่นไม่มีนอกจากมรคคือสินสมาธิปัญญามรคท่านก็ยอ่อลงมานะมรคแก่ยอ่อลงมาเลอสินสมาธิปัญญาทำไมทําไมเหลือสินเหลือสมาถะาสมถาเานี้มันรวมมาสิน มีสมถะเกิดข uh, <im> ึ <illnesses> hmm ้นเมื่อไรฉีกก็เกิดขึ้นวันนั้นปัญญาก็หมายถึงสติเห็นก็ะสือคือสมถะกับวิปัสนาใ้นั่นแหละคือมันมัต้องไปรู้ชื่อมาก็ได้แค่มีสติมีความรู้สึกอยู่ในลมหายใจเท่าุ้สันก็รู้ลมยาก็รู้ฝึกอยู่ในลมเนี่ยนะนั่นแหละ นี่แค่นี้รู้ลมรู้ความคิดไงฮ ะ, ะ, ะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ไปรู้เรื่องอะไรล่ะเรื่องโนนน ะ, ะเรื่องอันนี้สงั์การทานอย่างนั้นอย่างนี้บรรยายกันไปนะฮะจนเคลิ้มเอาสวรรค์มา <c oughs> อยากขึ้นเกินสวรรค์เห็นไห่ไกลลกเกินแนี้ออกไปไกลมาก ฮะถ้าพูดถึงนิพานอานี่าได้เอาละ ะ, ะ, ะมันไกลเกินเหมือนหมดสมัยไปแล้วอย่างนี้มะมันจะหมดสมัยได้ไงฮะแม้แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีถ้ามันก็มีธรรมะนี่นิพานถ้ามีคนท่านไม่ไดเอาไปด้วยเพราะมันมีเป็นธรรมชาติจ น, น พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันตะ์องค์นึงนะคว่าทำไมถึงเรียกพระพุทธเจ้าคือเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นธรรมาราชาที่ท่านตัสรู้ด้วยพระองค์เองถึงเรียกว่าเจ้าแห่งธรรมก็ได้ธรรมะตรง้แต่ที่จริงก็เป็นพระอรหันต์เลยก็จสรู้รู้เหนกันตจรู้อะไรักทีถึงบอกว่า ข้าคไเข้าถึงคำ嘛ก็เข้าถึงกูพุทธเจ้านั่นเองฮาฮ่็ฮ่าฮ่านะข้อถึูท่ากูทามันอยู่อินเดียนั้นอยู่ทุกที่ฮะคือนิจใจเรานี่ยฮขใจไหมแต่นี่มันอยู่ไกลเหลือเกินน่ะบางทีรับนั่งเคงินไปอินเดียไปตามหาพุทธเจ้าอันนั้นเป็นอะไรนะเขาเรียกนะเป็นอะไร ไปที่ไปอินเดียไปเป็นที่จะเรียู้เป็นที่กําเนิดนะเพื่อจะไปลําลึกถึงพระคุณท่านไปดูอย่างในไทยจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอะธรรมะตั้งหางที่เ ป, ป็นพระพุทธเจ้ากูเข้าถึงธรรมเท่านั้นที่จะเข้าใกล้ท่านนได้ก็วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งนะมาถามเรื่องเรื่อง จิตคือผู้รู้จิตคือผู้รู้ที่เก่ามาทานนันตนคาว่าจิตคือผู้รู้เนี่ยจิตก็สติก็อันเดียวกนะัน <c oughs> จิตคือผู้รู้สตินั่นะ เ, เป็นผู้รู้แล้วก็จะมีผู้ถูกรู้ ก็คือสังขารก็คือความคิดอะไรนะฮะถ้าเราดูความคิดเนี่ยการแยกชาดแยกขันนี้จริงๆคือแยกระหว่างแยกความคิดเราออกจากความคิดนั่นเองฮะคือเราไม่ปรุงมันคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมแยกแยกกันในตัวที่จริงเราไม่ได้คิดแยกเราแค่รู้รู้รู้รู้เราจะแยกกันในตัว ถ้าเราเขไปปรุงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องเกิดนั่นแหละเราเกิดตัวเราขึ้นนั่นแหละคือระบบปฏิจจ ա สมุตบาทถ้ามันคิดอย่างเงี้ยคิดดีก็จำเรารู้อยู่เฉยเฉยเราไม่คิดมันก็จะดับใช่ไหมอ่ะมันคิดชั่วมาถ้าเราไม่ไปปรุงต่อมันก็จะดับใช่ไหมนั่นแหละพกชาติเราก็จะไม่มีชั้นลงถ้าเราไปปรุงต่อมันก็จะเกิดพลังงานเข้ามาเป็นตัวเราเกิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องอาศัยลมเป็นฐานฮะเป็นสมถานนิดหน่อยก็เห็นความคิดมันจะปนเปอยู่กับลมแต่มันคิดสิ่งนี้มันจ ะ, จะผุดผ่านผุดผ่านผุดผ่านไปเรื่อยเรเราก็จะอยู่ในลมเห็นมันอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อย่างเงี้ยฮะอ่ะพอมันออกมา ม, มากๆเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็จะหมดแรงกําลังแล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้อยู่ในลมฮ่ะทีนี้นนเราก็จะกลับมาอยู่กับผู้รู้ พอรู้สึกตัวรู้บ้างว่าเข้าบ้างว่าเข้าตัวคราก็จะหายไปเหลือแตูุ่รู้ความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเราก็จะไม่มีเราไม่ได้ไปแย่งไปทาอะไรเลยลุงลุงลุงปุชามีพูดคำอย่างว่าพูดรู้สึกตัวคือพูดไม่มีตัวนี่แหละตัวนี้เนี่ยอล ะ, ะไม่ได้ยากเลย แต่มันยากเพราะมันคิดไงคนคิดเก่ง่เยอะแยะในโลกเนี้ยแต่คนหยุดคิดนะมันต้องเห็นความคิดนะก่อนจะหยุดคิดไม่ใช่ไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้ความคิดเนี่ยฮะไม่ใช่บอกให้หยุดคิดแล้วไปห้ามไปคิดอยากอยากหยุดคิดอย่างนี้ไม่ใช่ให้รู้รู้รู้รู้รู้เฉยๆนะไม่ใช่ไปคิดรู้รู้ว่ามันคิดเนี่ย ไม่ใช่เราคิดนะเข้าใจไหมทุกอย่างก็จะจบลงเมื่อความคิดมันดับนะเมื่อเมื่อระบบมันแห้ห่างกันออกแยกกันออกเห็นไหมมันอุปาทามันก็จะไม่เกิดเห็นไหมอันนั้นล่ะวงจรปฏิการธุรบาทก็จะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชื่อมต่อกันอีกเขาเรียกทักสะพังลอแล้วเข้าใจไหมเราก็จะเห็นการไม่เกิดเพราะไม่เกิดมันก็ไม่ดับ นั่นแหละคือนิพานมันคือไม่หลับไม่เกิดนั่นแหละถ้ามัดับมันเกิดอยู่ยังยังไม่ให้นิพานพราเกิดอยู่มันก็ต้องดับจริงไหมถ้าไม่ไม่เกิดมันก็ไม่ดับนั่นเองนิพานคือการไม่เกิดก็ไม่ใช่การการการการดับการไม่ดับก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่ามันไม่เกิดไม่ดับนะมันก็เหลือแต่ความรู้สึกเจือ เคย อ, อย่างเงี้ยน่าสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่มีรู้นะแต่มันรู้อยู่รู้ทุกเรื่องกันแหละใครพูดอะไรก็รู้แต่มันรู้ <l ots> เฉยๆเจตนารู้อะไรหรอกอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่นั่นแหละแล้วเราอยู่ต่อเ น, นื่องไปนาน ๆ, ๆ, ๆนาๆเท่านั้นมันก็จะเห็นแจ้งไปหมดจริงไหมล่ะเห็นรู้เรื่องของตัวเองไปหมดถ้ารู้เรื่องของตัวเองไปหมด ก็คือคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราเทวดาก็ไม่ต่างเราอินพงก็ไม่ต่างจากเรานั่นแหละคือรู้แล้วรู้แจ้งโลกรู้ทั้งสามโลกเพราะตัวเราเนี่ยแหละเหมือนกันหมดเลย <c oughs> นะไม่ต่างกันโลกคนหลงเหมือนกันเป็นเทวดาก็เต็มหัวใจเทวดาอยู่มันจะถูกตรงไหนวะฮนะ จริงไหมอ่าเลยเห็นว่ามันเด็กๆขั้งนั้นามสิบพบอ่ะจะไปวิงวอนมันทำไมอ่ะฮะมันก็ทุกพอแรงอยู่แล้วจริงไหมฮ่าฮ่าาท่งเห็นเหรอโอ้ใั่ๆๆนะทำมามันจบลงแค่นี้ตั้งแต่พรมจันทร์ก็จบทำได้ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกถ้าเรหันหาในใจตัวเองนั่นแหละอะ ก็เราหันใจพอมามันฝูงลกเป็ก็าสาุ ก, กานะะมันเียวอะไรกับเราหรืจริงไหมรท่านก็เหมือนเรานี่แหละบริบาลอยู่จริงว่าลูกปไหนก็เหมือนกับจะเหมือนพวกเรานี่ยท่านก็หลงกังก บ, บพวกเรานี่แหละแต่ด้วยคมมีมานะมีศรัทธาที่จะเดินฝ่าฟันออกไปนั่แนแหละธรรมะมันต้องอาศัย มันถึงบอกว่ามันต้องทำอยากเป็นอริยะจะมาทำเหมือนคนก็นไม่ได้ต้องทำเหมือนอริยะต้องเหนือคนนะต้องสร้างเหตุเหนือกันฝ <c oughs> ุดนี้ใส่นะนี้สติเขาไม่ทันย่ายความเพียรก็จะเกิดขึ้นต่อเ น, นื่องนะไม่ยากหรอกทุกวันนี้ยมยมยมเนี่ยนะที่เกิดสภาวะธรรมเยอะแยะมากในประเทศไทยในโลกเนี่ย จำไหมอยอมที่เข้าถึงสู่กระแสของนิพพานอย่างเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีครูบาอาจารย์มาเล่ามาบอกมาเป็นกาลังใจมาเป็นพยานให้ส่วนมากก็จะไปหาว่าเข้าไปถามเรื่องธรรมมาไปกราบถามก็จะหาว่าเราบ้ามาถามทาไมพูดทำไมครูบาอาจารย์เหมือนทำไมหลวงพ่อเป็นใหม่เนี่ย ไปาถามมองไหนก็ถามว่าเรานี่บินบ้านะนะทำไมต้องมาพูดนะกู ม, มาบวชแล้วไม่พูดเรื่องธรรมะเลยแต่มาถามเรื่องธรรมะจะให้กูถามเรื่องอะไรจริงมกูก็ว่าอย่างเงี้ยจริงมกูนี่ทีนึ่ก็มาปลุกถามได้เอาสิผู้หญิงยังมาปลุกเขาเลย เดีย๋ยวไม่ไว้ใจจริงท้านมาเลยหกทุ่มรินอย่างนี้มาถามกูได้เลยถ้าขัดค่องอะไรเนี่ยจริงไหมอ่ะมันจะทาการเหรอถ้าไม่ไม่มาถามจริงไหมก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจริงไหม นน ไ, ไม่ต้องไปทำให้มันเป็นคนดีหรอกนั่นแหะมันก็จะไปช่วยมันได้นั่นแหละมันจะทุกข์เพราะมึงอยากให้เขาดีมันต้องเปลี่ยนตัวเราเขาไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาจำไมตอนนี้กรองจนเน้นความเน้นดับความ กับอุปทานไม่ต้องไม่ต้องการสภาวะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาไม่ต้องการมันก็เป็นมันก็แค่แค่รู้นะก็ถูกต้องแล้วนะแค่เห็นมันอะรู้ทันมันอะนะรู้ทันมันมันก็จะเกิดดับเกิดดับถ้ามันเกิดดับเกิดดับนั่นท่านเรียกว่าอภินญญาญาอภินญญาญาเห็นไเคยสวดมันไม เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งแปบลบว่ารู้ยิ่งนะอะไรรู้ยิ่งหรือเพืนะ่อยิ่งนะทักแล้วเลยจากอัินญาญาเนี่ยนะความคิดเกิดไม่ได้ถ้าเรียกสัมโพธยาเป็นไปเพื่อความรู้พรอ้อมถ้ารู้พร้อมแล้วมันจะเกิดไม่ได้ลุงกาอุปมาเหมือนถ้าเป็นธรรมะในสติปัฏฐานสี่เรียกว่ากิดในกิดกิดเห็นกิดเข้าใจไหม ขั้นอภิญญาญาเนี่ยจิตเห็นจิตรู้ทันกันเหมือนเหมือนความคิดเนี่ยวิ่งร้อยสิบกิโลเมตรชโมงสติก็วิ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชโมงทันกันแล้วกอนนะเห็นกันแล้วเห็นความจริงละนี่คือเหตุเห็นการเกิดทั้งมวลนะถ้าเห็นขนาดนี้มนไม่มีใครถอยละเขาเรียกสัมปญวติตอ น, นะี้ สงครามโลกแหละจะเกิดนะสงครามโรกไม่ใช่แบบพิลเลอร์นะฮะเนี่สงครามโรกที่อยู่ในกายเนี่ยเ่ยเนี่ยมันจะเกิดสภาพว่าเอาหูปันปวนไม่รู้ร้อนรู้หนาวปวดหัวปวดร้อนชาพักนปวดเอวปวดไปหมดมันเอาเนี่ยเป็นสนามรลกบางที่นี่ร้อนนะร้อนเนี่ยแผ่นดินแม่นเอาอกร้อนนะ บางที่มีอะไรไตอยู่ตามหลังนี่เหมือนกับมีตัวเลยนะนะหัวก็จะแน่น น, ะนะนี่คือสะหยุด์นะจะไม่ถอยแล้วตอนนั้นถ้าถึงขั้นอภิญญาญยาจะไม่มีถอยฮนะนะก็มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเห็นกันแล้วมานะกูดนะกูดเป็นภาษาฝลั่งบักนี่เป็นภาษาเรา นี่คือคําว่าจิตเห็นจิตทีนี้ขั้นสัมโพธาญาณเนี่ยอ่าเป็นขั้นขงังขึ้นต่าทะลุสัมโพโพทีเกิดโพธิญาณเกิดญาณเนี่ยแปลว่าญาณแปลว่ารู้ญาณเนี่ยแปลว่าเหรออริยะเอ่อรูาา้ญาณะแปลว่ารู้ฮะโพทีโพธิญาณเนี่ยสัมโพธาญาณเนี่ยหมายถึงโพธิญาณเกิดหมายถึงรู้แหละรู้พร้อม เกิดไม่ได้ทีนี้ฮะถ้ามัเกิดไม่ได้ครูประทานเกิดไม่ได้มันก็จะเชยตึงแปะเลยล่ะเฮ้ยฮะฮะใช่ไหมสำบตรายาเหล่าเนี่ยนิพพานายาเป็นไปเพื่อนี้ผ่านมันยากตรงไหนวะสำบตรายาเยี่ยมมา อยู่ในลมหายใจอย่างมีศีลครอบทุกข้อนั่นคือสมถะมารวมมาสีนี้เป็นเขาเรียกอาทิศูนย์ในที่จิตนะแต่ถ้าศีลแบบไปขอกับผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยว่าธนาขออยู่เรื่อยเนี่ยเขาเรียกศีลพระจักระมาดก็ได้คือรักษาลราชกายกับวาจาแต่จิตความคิดมันก็ไปตำหนิไปน่วนไปนี่มันอยู่กับมึงแม่ะพราะไม่มีสติไม่รู้เท่าทันมันเลยเขาก็ไปกินทัศนมีกันทุกคนจะมีน้อยมันเลยไม่มีกําลังเท่าทัน เพราะนั้นจุดใหญ่คือการฝึกสติให้มีกบลังนะรวดเร็วความคิดเหมือนพยัใหย่จิตเนี่ยสติไวกว่ น, นั้นดีมัเชืยวผู้เี่ยว <c oughs> สติน <c> ะ <oughs> สติเ <c> น <oughs> <ต>ี <c oughs> <ต>่ย <c oughs> จำเป็นทุกใช้ทุกกรณีสติเติ้งมีวรรังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะโลกคือกระแสะโลกหมายถึงกระแสะของอารมณ์ทุกอย่างถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยนะหลงตาเปียกเหมือนกับเราอยู่ในมุง้งผู้มีความสงบจริงๆ เ, เหมือนเราอยู่ในมุง้งเสียงยุงเสียงเมงวีเจ๊ม อ, อยู่ ข, ข, ข้างนอกมันก็หาเราไม่ได้นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปหลบหลบอยู่ในป่าได้เขานะทีนี้ไปอยู่ลงหนังลงอาคอรจุุดสอยู่มันก็เข้าหาเราไม่ได้เสียงเป็นเสียงไงจิจิตนะไเป็นอย่างนั้นออันนี้ไม่ได้ไเอาใครมาพูดหรอกลุงานี่ะเป็นอยู่เงี้ยเชินมาหลายดีละ ไม่ได้เห็นอะไรหรอกเห็นธรรมะเห็นข้อเห็นเห็นอะไรเห็ like. นตัวตัวเองโง่ยนะโ่่้มันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละมันอยู่กับเรานี่แหละธรรมะนะอ่ะอ่ะไอ้ีพวกพูดกันเป็นชื่อของธรรมะการตัวของธรรมะคือสติ yani บริกรรพุทโธหรือว่ายุบเนอพ้องเนอหรือว่าอรหังไอสัมมาอรหังเนี่ยไมนต่างกันไหมคะต่างต่างกันแต่อยู่ประสงค์อันเดียวกันจะต่างกันอ่ะอ่ะสัมมาอรหังพุทโธเดี๋ยกอะไรยุบหนอเหมือนกันแต่ฝึกรวมหายใจเนี่ยต่างกันหน่อยแต่ว่าเจตนาทั้งสี่อาการเนี่ย เจตนาเดียวคือฟุตสติเพราะปกติจิตมันจะคิดมันจะคิดออกไปข้างนอกคิดไปโน่นไปนี่เราเนี่ยหลอกให้สติมันอยู่กับพูโ้โชว์ไหไม่ให้กจิตมาอยู่กับพู้โชว์คือให้ความคิดมาอยู่กับผูโ้โชไม่ให้มันออกไปข้างนอกนั่นคือเจตนานเดียวกันเราหายใจก็เหมือนกันเจตนาเอาตัวสติเอาตนเป็นฐานนะนะ เหมือนเหมือนเดจิงมันหมืนเด็กมันวิ่งใชมไหมเล่าขนมหลอกแต่มันอยู่ตรงนี้ฮะมันคือการฝึกการฝึกที่จริงๆไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาลงแต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องอาณาปานสติได้ผลเร็วมากถึงมึงฝึกไปถึงขั้นสูงสุดแล้วนะยังไงมึงก็ต้องทิ้งผู้โชว ทิ้งพวกนั้นหมดมันมันทิ้งเองมันจะอยู่เหลือจะจะลที่แต่ลมเท่านั้นต้องกลับมาดูลมเหมือนเดิมหลวงตาเนีฝึกพุโทโธมาเกือบยี่บห้าปีกับสามสิปีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่เนี่ยเพราะหลวงตาบวชอยู่กับชายหลวงปู่มั่นหลงพุโทโธอยู่แล้วฝึกพุโทโธมาถึงวันดับลงไปจริงจรเนี่ยพุโทโธไม่เหนื่อยเลยเรืเ่องเซงไม่ได้เลยเรื่องเซ่งเรายม่ได้ จ, จตลอทั้ววันนั้นกัน ลงกากที่นั่งไม่ได้ถึก ง, งานอาาบาลนักสตีนะฝึกพุทธโตแต่พอวันเป็นจริงๆเนี่ยมันต่อมันจะตายมันแน่นไปหมดเนี่ยฮะเกิดสภาวะแน่นไปหมดเราก็ต้องกลับมาดูลมมันมาดูของมันเองเพราะว่ามันจะดูว่ามันมันใจจาคาล่ะมันต้องกลับมาวกมาใส่ลมอยู่ดีก็เลยมาดูลมดูลมดูล ม, ลมเขไปจนดับไปหมด พุทโทนี่หายไปจากวันนั้นเลยเส้าวันนี้หลวงจางสมมติเอาลมเลยยังไงก็ได้ยิงอยู่ดีชักมันลมเลนะี่ยหลวงจางไม่ได้ฝือนอาณาบาลนัตสตรมานะฝึกพุทโทถ้ามว่าพุทโทมีผลไหมก็มีผลเพราะว่าหลงจางฝึกมาแต่มันมันช้า เห็น ไ, ไหมสมมากมันจะไม่อยู่มันจะไม่อยู่กับพุโทโธมันจะไปอย่างอื่นมากจริงไม่มแต่ว่ามันก็เก็บเล็กผสมน้อยมาได้คือการสติสะสมสติสะสมพลังงานของสติขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันแม้แต่คุณสัมปชัญญะประพาที่ยกเมย์เสื่อๆกันเขาเรียกสัมปชัญญะเพราะเขาฝุ่นสติ น, นั่นเอง มีคนมาถามว่าการยกมือน้ำเนี่ยถามว่าคืออะไรหลวงพ่อบอกุสติธรรมะชัญญเหมือนกันถ้าเรียกสามปชัญญะบบพะไม่ต่างาการเดินจงกรมแต่นี้เอามือเดินแต่นี้เอาจีนเดินจุดประสงค์ใหญ่คือการฝึกสติครูบาอาจารย์ถึงผลิตเทคนิคออกมาแต่ผู้เจ้าไม่ได้ฝึกคืออาณาปาติไม่ได้สร้างผู้เจ้าสอนอาณาาติ ลงเลยน้องตาถึงกลับบอกฝึกอาณาบาน่ะติไม่ต้องไปสนใครเลยนะหนะรือเอาพุโทโธก็ได้พุโทโธอยู่กับลมนะเอพุโทโธเข้าพุโทโธออกก็ได้นะไม่ผิดไม่ผิดนะเรอทําที่มันทำบริกรรมหายไปแล้วลมหายใจับแล้วอย่างเงี้ย่อเราจะพูดรู้อย่างเดียวเนี่ยมันต้องกลับมาดูลม ดูดูลมสิมึงต้องอาศัลมนะมึงจะดูลมเก่งมันตายมึงเชื่อกูสิเอาอย่างเงี้ยแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามกูกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าท่านก็จะอยู่ในสนสมาธิปัญญาจนธาตุสี่แตกธาตุหน้าแตกคือลมหายใจงั้นพมึเจ้าจะเรียกว่าอานาปานะทัญญาได้ไง ตนเป็นเองอ่ะดูลงเองอะความคิดไม่มีหรอกตอนนั้นจำไหมไม่มีหรอกสบายมาก <c oughs> ไม่มีคนดูไหมวันนี้ อ๋อมีคนดูอยู่ไอนึกว่าไม่มีคนดูแล้วคุนึกว่าเขาไปดูหมอรัมเลยเพราะวันนี้พูดหนักไปหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีคนถามเลยทังบ้านอะเบิ้งห้องกับเบิ้งลมหรือห้องนกั น, กกนได้บ่างขนได้เดี๋ยวันนี้้อมุดห้อง้ อ, อับเบิ้งลมน้่ะอ่าเพราะจังเลยเพราะว่า หายใจเขามันก็ท่องแพบท่องฟกอยู่หอฮ่าเพราะว่าส่ยุทมา่ตรวแต่ว่าาน่มันไปไป่ี่ออ่ามันชินแล้วมันชินแล้วได้ได้ได้ผมกงองเอ่มื้องลมหอมนะครับควบคู่กันได้ได้เาได้เอาความรู้สึกกันเลยเราได้ได้การฝึกลมหายใจเนี่ยนะไม่ใช่ฝึกเดีท่าเดียวนะ ฝึกลมยาวออกยาวเข้าแล้วก็ฝึกลมชั่นดูทุกแง่ทุกมุมไม่ต้องไปไล่หาขั้นนั้นขั้นนี้หรอกฝึกลมนี่จนรู้ละเอียดเรื่องลมลมเข้าลมออกลมไม่เข้าไม่ออกลมเข้าลมไม่ออกเรารู้หมดเลยเพลกอยู่อย่างเงี้ยจนรู้หมดในสภาวะลมว่าใช้ลมตัวไหนตัวไหนเวลามันร้อนใช้ลมตัวไหนเวลามันเย็นใช้ลมตัวไหนจนเก่งปับพาดได้เลย ซึ่งเป็นคำโบสาส่วนนึ่งเลย อ, นนจ อ, ลอาจารย์นี้เรียกว่ารับบาทั้งวมยใช่ไม่มีรับบาะะนะพ้นออกจากดีอย่างชั่วเนี่ยพ้อนออกจากความคิดถึงพ้นออกจากทุกอย่างพ้นออกจากไม่จากความดีจำไว้พ้นออกหมดเลย พนหอกไม่ใช่ความมีเศษลีสโซพ้นหลอกไม่ใช่ความมีตัวตนเหมือนกับเราถามว่าผ้าละหันมีไหมยุ่งเนี้ยมีแต่ผ้าละหันเราไม่มีผ้าละหันเรามีไอปัจจุบนะันเนี่ยแต่ผ้าละหันเราไม่มีถ้ายังมีอยู่ไม่ใช่ผ้าละหัน พระสกิขาพระอนา พ, พระพะโรมันสกขาพะอนาคานะนียังมีอยู่ยังเกิดอยู่แม้จะไปเกิดอยู่สุชาติาพรมก็ทับก็ยังเกิดอยู่ยังมีอยู่แต่พระอรหนันต์ไม่มีะมันจะเรียกว่าสุญโยเลยสุญญจารเลยอนัตตาเลยะะ ผลางจากการมีกเป็นทั้งอย่างไม่มีอ่ะดับจริงจรอาญาณหน้าก็เหมือนเดิมขันห้าก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ป่ะดับขันหรอกดับบูปทานขันยังอยู่ถ้าดับขันมึงตายเลยไปท้องแล้วถ้ดับขันน่ะนี่จะแ้วไปส่งข้าแดนนิทานมึงโดไปรักตัวเนี่ยอะ ไม่ได้ดับขันนี่ชาไม่ได้การดับขันนาบุปผาท่านฮะนาตัวมึงอะเขาไม่มีตัวมึงมันจะมีอะไรล่ะทีเนี้ยโลกมันก็ไม่มีเห<ะ>มือนหลวงพ่อว่าจิตก็ไม่มีหรือใจก็ไม่มีเพราะมันมีใจหรอมันถึงมี จำไวแใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างจิตนี่ตัวสมมุติเนี่ยเหมือนเราถ้าพูดอย่างนี้เขาจะหาว่าหลวงตาทิ่นิิคิดนี่เป็นเป็นอะไรนะทาเลากเป็นเซนหลวงตาไม่ได้เป็นเซนหนลวงตาใจสดบอกเนี่ย <c oughs> ไปแล้วลมก็ค่อยๆหายไปผมฝึกถูกไหมครับถูกมากเลยนะลมหายใจก็รู้หายไปก็รู้นะแต่ส่วนมากลมเนี่ยเราจะตกใจถ้าไม่มีลมเราจะกลัวตายแม่ที่จริงไม่จ่ายมันก็จะจบจับจับจั บ, บ, บอยู่นิดๆมันจะแน่นในตัวแล้วจะมีลมนิดๆมือนก็อยู่ในตรงไหนทักแข็งในท่องเนี่ยทักนี้ยเนีน้ยเเราก็จะแข็งแน่นเราก็จะกลัว แต่เราฝึกจนทำงานจนจนเห็นะแล้วเราเราย้ยาย ย, าย้ายไอ้ตัวนี้ก็ได้ ย, ย้ายลมหายใจมันอยู่กหมอมหายใจทั้งกระหม่อมทำได้หมดนะทำมาถึงพูดกูกฝึกมาหมดเป็นมาหมดกูถึงพูดได้ถามว่าวัดหลวงตาทำไมไม่มีคำวัดเช้าเย็นคะกูทำจักุฏิช่วงน้ก็ทำวัดเหมือนก <c oughs> ัน ทำทำกวนพระนะกันพะนะถ้าเขาไปทำนะถ้าอยากทำก็ได้อยู่นี่นะมาทำเลยทำทุกวันก็ได้นะหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามทำนะนะไม่ได้ห้ามเลยทำเลยทำวัน่ะนะนะส่วนมนต์ถื่วนเลยนะ <c oughs> กันก็ได้ถ้ามันคิดมากๆ ก, กันเลยนะกันเลยกันจนมันจะใจนะหลวงตาเขาทำมาทุกรมเขาบอกแล้วกันเขามีนะเอาสนะิกันจนเนี่ยตอนหลวงตาพูดคูบารนเมื่อหปีก่อนหลวงตาบอกให้ไปลองหัไม่หายใจดูว่าจะได้เท่าไหร่พูดไปนานๆเนี่ยตอนแรกเนี่ย เราไปกั้นใหม่ๆนี่หนหนึ่งนาทีนี่ก็จะไม่ได้ละจริงไหมลองดูนะจั่งอริค่าเนี่ยนั่งนั่งมองเลยกั้นลมเนี่ยหนึ่งนาทีไม่ได้จะฝึกไปฝึกไปนานเข้านานเข้ า, น า, นขาสองนาทีก็ได้สามนาทีก็ได้ี่การฝึกลมฝึกทุกแง่ทุกมุมเพราะการฝึกลมเนี่ยมันจะทิ้งความคิดไไม่สนใจฮะ มันจะแหกออกจากสังขานั่นเองจากการปุงแต่นั่นเองนี่คือการฝึกฝึกอ า, าณาบาลนัสติ น, นี่สนุกถ้าใครฝึกเป็นสนุกแต่จะจะทรมานบางทีมันร้อนนี่แหละฮะบางทีแผ่นหลังเราเนี่ยเหมือนกับมีอะไรเหมือนแผ่นอะไรหนาๆอยู่มีความร้อนวับวับวับว บ, บางทีหน้าเรากว็วับวับวๆบวบบางทีปากเราก็จะชา อะะการที่ทบริกรพุทโธหายไปเองเนื่จากเงหยเน่ากเยาู่แตลงหายใจยังคงอยู่พรลงหายใจละเอียดกว่าใช่ไมครับใช่ลงหายใจละเอียดกว่ากายในกายที่แท้จริงสกิริปฐานสี่คือกายลมนี่แหละถ้าเห็นใครลมอะไรบังคับลมได้บังคับได้หมดแม้กระทั่งอารมณ์เราบังคับกายอยากวะแห กายในการที่ใช้จิ้นคือลมหายใจเนี่แนะกายที่สองนะนะจำไว้สติปัฏฐานสี่เนี่ยรวมอยู่ในลมหายใจนี่น ะ, นะไม่ต้องไปสามหาที่อื่นอยู่ในลมนี่จบเลยน ะ, <S <S นะพระพุทธเจ้าถึงรับรองว่าดูก่อนอานนท์นะอถ้าใครฝึกอานา ป, ปาณสติเจริญแล้วสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์สติพุทธชงเกจดย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์ นนคอันนี้สงการปฏิบัติอนาปานสติวีมากแค่ไหนคะอันนี้สงเรจะไม่ได้ถึงขั้นไหนๆก็ตามอันนี้สงของอนาปานาสตนิถ้าใครฝึก อ, อนาปานาสติจะอยู่ตลอดเวลาเดียางน้อยได้เป็นอนาคามีนี่อยู่3ามอย่างอันนี้สงของอนาปานาสติหนึงได้เป็นอนาคามีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ สองปานการคือได้เป็นท่ารหัสตผลตอนใกล้จะตายสามอันดับหนึ่งคือเป็นท่ารหัสตอนมีชีวิตอยู่นี่พระพุทธเจ้าพูดรับรองเงี้ยหลวงตาไม่ได้พูดใครจะเสียงก็เสียงมาสินี่คืออันนี้สองว่ออนามานสกติฮะอัศจรรย์ไหมล่ะ นี่คืออาณาปานสติสมาธิไม่มีสมาธิชนิดไหนหรอกศาชนาคดจัดรู้โดยอาณาปานสติ อ, อ, อ้วันนี้ทำไมพูดหนักไปเนะปกติกูพูดไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดขนาดนี้เลยนะท่างผูขออภัยมีภาพลูกนันท่านปฏิบัติได้ดีแมวที่วัดท่านไหนกี่ไดอดหไหนท่านคุยกาษาสน้าแมวล่วงไว้แล้วทีนี่น ข้าท้อไปภาวนาอยู่ใต้น้ำอมันคือเป็นทำหนวกไป อ, ไอันนั้นมันก็เป็นนิสัยข้าหน่ะนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ไหมายถึงคำว่าจะไปจัดสรู้ได้นะอ่ามันก็เป็นอ้าถ้าท้อถ้าจะเอาเขาเรียกอะไรนะอ่าจอบะถ้าจะเอาจอบะเป็นเป็นนิพพานอย่างไม่ได้เข้าใจไหมนขนาดฤๅษีทุกวันนี้อยู่มืงองฤๅษีเกศเขายกอย่างเงี้ย ไว้ตลอดอ่ะจนจนแข็งนแขนนี่รีบอ่ะฮะยังไม่ได้กต่ทะลุเลยเขาเก่งเลยอ่ะฮะและบางองค์เนี่ยนั่งกำมือเนี่ยนะบางบางบางตน่ะสีทุกันนีต้องมีจะเล่กนี่ทะลุฮะใช่นี่คือพืดนริกวพืดเด็ด ถึงเขาฝึกวมหายใจเขาก็ไม่ได้ฝึกอนาปานสตินะฝึกปานายามะคือฝึกกั้นลมฝึกเอาลิษนะฝึกมากๆในสิสองปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีเลยแข่งขันกันขุดหลุมแล้วเอาไปฝังฮนะจนจนรัฐบาลเขาเขาห้ามคือเอาแมกโคขุดหลุมแล้วไปนั่งแล้วเอาดินปกนะแล้วก็พอถึงทั้งวันหรือกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แล้วก็ไปขุดขึ้นมาถ้าใครจายก็แพ้นะ ช่วนไม่ได้หรอกเก่งขนาดไหนล่ะแต่โดนนั้นไม่ได้บรรลุธรรมจำไหเวลาโดนทุกแล้วเห็นสุตไม่ก็ะเพื่อมเป็นเพราะลอหนึงใจก็เพื่อมของจิตไม่ชัดเจนหรือเป็นเพราะโดนกระทแล้วจิตเาตัดเองอัตโนมัสครับโอ้ยอันนั้นมันมันสบายแล้วงั้นอนนันอัตโนมัสนะอัตโนมั อาการของของสภาวะธรรมนิชยใส่คนไม่เหมือนกั น, นย่อมเกิอดอาการไม่เหมือนกันจากผลของอนาปานาสติถ้าบางคนฝึกอนาปานาสติจนเห็นลมเหมือนชูบุรีเนี่ยเหมือนควันเข้าควันออกเลยนะแล้วถ้าฝึกไปนานๆควันนี้ก็จะหุ้มตัวฮะและจะนุ่มตัวเราเนี่ยฮ ะ, ฮะและตัวเราก็จะใสเหมือนวุ้นอะไรฮะแล้วก็จะมีแสงอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็มียราไม่ใช่ไม่มีอะอ่ะจะเหมือนกันได้ไงแต่เป็นสภาวะธรรมจหน่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าทําให้จัตสรู้แต่เป็นสภาวะธรรมคำทว่าสภาวะธรรมเนี่ยคือนิสัยสร้างมาไม่เหมือนกันน ะ, ะอันนี้เป็นความละเอียดความโดดเด่นของอาณาปณาสติอ่ะพวกนี้จะมีลิ้นมีเล็บกระดูกก็จะเป็นแก้วนั่นเองถ้าตายไปถึง ไ, ไม่ถึงไม่ตายก็เป็น ถ้าฝึกถึงขั้นเนี้ยนั่งได้สามวันหรือเจ็ดวันกน็ได้วกนี้ถ้าฝึกปานาปนานสิ จ, จนจนเห็นตัวใสแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นแสงสนั้นสีนี้สีกระดูกก็จะเปลี่ยนเป็นสีนั้นเนี่ยไมย่สีอยู่ในตัวเลยนะถ้าฝึกเตือนนักปฏิบัติเนี่ยส่นมากจะมีนคนมาเห็นว่ามีแสงอะไร ลอยอยู่ข้างกุฏิหรือว่าลอยอยู่ก็ว่าตัวอะไรเนี้ยมันคืออะไรอันนันก็เป็นถ้าพวกเขาเห็นแสงเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะกํากลังของฌานตัวหนึ่งได้ฌานที่เราฝึกใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างพวกเทวดาเขาก็จะเห็นแสงถ้าเราฝึกมากๆเขาก็จะเห็นออกําลังของของ ถ้าจะพูดถึงพระในภาษาบ้านเรากเออบุญพวงนี้มีบุญแล้วมีกำลังแลหละกำลังของพ้อเสียงของฮะงคเราสุกอยู่อย่างเงี้ยคนมาเห็นมาอยู่ข้างบ้านเรามีแสงแสงใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ยิ่นพวกพวกเข้าฌานพวกมีฤทธิ์มีเด่นมันก็จะมองเข้ามามันก็จะเห็นแสงมันจะไม่เห็นตัวเราหรอกรอ่านะฮะทำไมเชวญาเขาเห็นล่ะเพราะว่ามันเกิดแสงสว่างนันเองฮะ กำลังของสมาธินะนะนะเป็นเป็นเป็นได้เป็นได้ไม่ว่าเราจะกำหนดไอ้สติแบบไหนก็ตามก็ตามถ้ามีกำลังแล้วมีกำลังนะนะกำลังบุญนั่นเองกำลังเล่าฌานนะว่างั้นั้นฉันจะเปรียบเหมือนกับทำบุญวันละหมื่นละหมื่นถึงร้อยปีก็สู้สงบแค่งูเล้บลิ้นไม่ได้แล้วบุญเยอะกว่าเอ๊ะถ้ามึงสงบบ้างละมึงบุญมึงเยอะเยอ่ะฮะเข้าใจไหมเออเอ้อ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอรหันเนี่ยทำไมเขาไม่ทำบุญได้บุญเยอะเพราะถ้ามึงลองท่านดับลงสงบมากี่ปีละฮะบุญท่านจะเยอะไหมเออบุญเหลือเฟือเหลือใช้เหลือกายเลยนะนั้นแหละแสงสวังก็ยังเจิดจ้าพวกเทวดาก็เห็นพวกข้ามีคานมีลิตเนี่ยถ้าเท้งเข้ามาก็จะเห็นแสงไม่เห็นตัวมึงอเพราะอยู่พลภพระพูิฮะ เพรอะกูพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยผมเคยไลนลงหมายใจแล้วขลุกหัวใสไปมาดีกระจุกบางครั้งผมไม่รู้จะทำยังไงตอไม่ต้องทำมันนี่ละคดีนะคือปิจิเฮยกันะผมเคยอ่านหนังซือเขาบอกว่าปิจิแต่ิตยังไม่สงบเลยไม่ต้องสงบปิจิไม่ใช่สงบ นั่งคุยอยู่นี่เกิดปนี่เพราะมันเป็นเองไม่ซ่องไม่ซ่องนะไม่ซองมอกทำปเนี่ถ้ามึงเก่งิมึงทำได้เลยนั่อยู่พูดอย่างนี้ก็ทำได้มึงอยากรูมึงอยากเห็นกูจะทำให้ดูทีนี้ยนะจำไว้ถ้าคนเก่งกูเก่งนะเว้ย ทำได้ทำแค่เราฝึกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะท่นที่เปิงท่านที่อั่านเปงอันทานราเดิมระเบิดาถ้ามันถือกำเนิดมันือปุ๊บปุโอ้ถ้ามึงอยู่ใกล้กูนะเดี๋วตรวจกูเลยมึงไปไปเลยจำไหมนะท่ที่อันที่เคยพระมาแบบว่าไม่รักกำหนดเลยฮะเบื้องต่อเนี่ยนาดนั่นระเบีมันก็แค่ทานสอง ไปจบวิจารณ์ไปจีสุเค้าตาที่คือการจราจรชานไม่ได้เข้าชานอย่เข้าใจผิดนะอันนี้ก็ชานเหมือนกันแต่เป็นชานสี่ที่แบบว่าเห็นทองแบบว่าทองขาแบบมันมันมองไม่โนะขนางเห่นแต่มันพิเรนาม่โตก็มีหูที่นี่อืมก็รู้สึกตัวน่นแตละกูประชาวานเช่นนี้แล้วมันก็จะกนั้นแหละชานถ้าที่เฉยอยู่นั้นแหละเอเาตานั่นแหละชานสี่ฮะ มันไม่ได้เข้าฌานนะมันรู้ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอยู่เธออยู่เพราะขนามันเป็นแบบว่าท่านิไปมันจะไปทั้งศีน้ำขนาดมันรู้สึกแบบว่าอมันโมมีตัวมีตนหลักฐานแบบว่าท่านิไปมันจะไปแบบว่าทัานทัานนอนอยู่ในมุงสือกับโมมีมุงแบบว่ามันเป็นแบบว่าว่างเดีลยวเลยขนาดแบบมันโมมีมุงมีบานมีอย่างแบบว่ามันตอนน้นมันเกิดขึ้นแบบว่านอนกำหนดห้องขนาด นอนไปน้อนไปไม่กลับมือปุ๊บท่านหนึงแหละพอขาดท่านที่สองขาดปุ๊บบ้านบ้นหมู่คืว่าโตขาดแล้วกับที่ถ้าโตอันนั้นไอชื่อผู้ผู้พูพ้พพว่ากำหนดท้องอ่ะไม่ใช่อันนั้นคือการเพ่งเป็นชานตัวหนึ่งนั่นก็เป็นชานตัวหนึ่งนเพ่งเพ่งตรงนี้ใช่ไหมถ้ามึงขับการเพ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าชานผ่านชานแต่ว่าเพ่งนะ มันก็เกิดความสงบที่มึงเพ่งมันเป็นอารมณ์เดียวมันก็รวมสินะแล้วมึงจะมีตัวไไปได้ยังไงอะถ้ามึงปึ๊บกไปอะแต่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวตัดทะลุแต่มันก็สะสมกําลังของสตินั่นเองเข้าใจไหมจนกว่ามึงจะดับของมึงลงได้จริงไหมดับคือดับอุบาทานเขามึงต้องกลับเข้ามาอย่าให้มันเข้าไปลุ้ตัวนั้นแค่สะสมเอาพลังงานเพื่ออ่าอะไรอะเพื่อ กำลังสติขึ้นมามึงต้องฝึกสติเข้ามาให้รู้อยู่รู้อยู่เห็นความคิดเนีะ่ะไอ้ตัวนั้นแค่ตัวเข้าไปพักคเฉยๆจำไหม น, น ะ, นะอย่าเข้าไปลึกนเกินไปอย่าออกนอกจะเกินไปอยู่ขึ้นความพอดีสมาธิแปลว่าพอดีอย่างยิ่งน ะ, นะพอดีเห็นอยู่รู้อยู่มีสติเห็นอยู่ไม่ใช่เขาไปหลบ ไม่ได้ทำให้มันหายเข้าไปนะง้นมันจะไปรู้ทุกได้ไงมันจะมีปัญญาได้ไงการที่จะพัฒนาให้มันก้าวหน้าเนี่ยค่ะเพื่อจะเข้าถึงคำว่าอริยะก็ไม่ใช่ฉศิอยู่คำลมเนี่ยรู้อยู่ความคิดเกิดก็รู้อยู่กะทบก็รู้อยู่นัฝึกไปเรื่อยเรื่รยอยการรู้นี่นี่แหละคืออวิยะอริแปลว่ลาค่าศึก ยากแปลว่ารู้รู้ข้าฝึกรู้ศัตรูนั่นแหละอริยะเห็นอยู่นี่เห็นทุกอยู่เหตุของทุกนั่นแหละอริยะเกิดตรงนั้นบางทีผมแค่เรียก้ขนลุกมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆแบบนีเรียกว่าเป็นสภาวะทำไหมครับใช่เยี่ยมมากไอ้หนูนะกูรับรองเลยอะไรเงี้ยเยี่ยมมากอันนั้นแหละคือกิจทงสารละ ง่ายง่ายพระพุทธเจ้าพูดว่ายังไงรู้ไหมถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานนั่นก็คือผู้ชงชาฌานนั่นเองนะเจริญฌานนั่นเองเขาเรียกลักขณูพิเรฌานอย่าลืมว่าพ้าอาหารภสขวินิโกรเนี่ยท่านสงบลงท่านย่อมมีพลังงานมีศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันนะจำไว้ โอ้มันเป็นเองทั้นไปงทำไมงั้นถ้ามึงไปชงมันก็ฮะมันก็เหมือนรงนั่นแหละแต่มันไม่ได้ทำแล้วมึงจะไปททำไมคำว่าโรกุตาลเป็นเองมันไม่เสื่อมเพราะเป็นเองมันไม่ได้ทำผมเฟ้นเขาไม่เลยมันจะรันเขาไปเองจนทิงจบเองนะทำไมพระเทวทัตบัญเข้าสู่กระแสนิพพานทาไมไม่ถอยเพรามันเป็นเองเข้าใจไหม นั่นจะ เ, เรียกเขาถูกกระแสเลยไม่ถอยหลังไม่เสื่อมเป็นกน่ะมีกระดานไปทางหน้าเปียกเหมือนกับมึงลุยลุยคือ อ, อ่าคืออ่าไอ้เขาเรียนห้วยห้วยน้ำไหลเชี่ยวลยึกๆอ่ะขึ้นไปแล้วมึงมึงมึงมึงเลยตรงน้ลุกขึ้นไปถึงคอถึงหน้าอกแล้วมึงจะกลับมาไหมอ่ะนั่นลักประสะรบรนี่จะมึงจะไปฝั่งเ ไม่มีทางคราบมึงเข้าถูกอ่ะกระแสอนิทานคือพบชาติมึง น, น้อยลงคำว่า น, น้อยลงนี่ไม่ได้ยังเป็นว่ทุกเกจชาติอันนั้นเป็นค้อค่าความอุปมาของคนที่เฉยพระรอัสนี่คือพบชาติท่านลงแล้วอะภูเขาถ้าเปรียบพบชาติเหมือนภูเขาสุเมรุราชจะเหลือเท่าจอมปอูวกเข้าใจไหมนี่คือการเห็นการเกิดจากพบชาติมันท่านลงแล้วสมไวนั่นแหละ โอ้พ <Frank> ูดถึงอริยะเลยนะเนี่ยวันนี้ฮะฮะฮะฮะฮะาไมพูดถึงเรื่องขนาดนี้วะพูดถึงเรื่องใหม่ดีไหมฮะฮะฮะพูดแบบนี้มันไม่ได้ข้ามันไม่ได้ข่ากันเทศนะเนี่ยฮะฮะนฮะวันนี้ก็หลวงปู่มาหลวงปู่ชื่ออะไรนะ <Okay. S 2> ประเสริฐโอ้โชื่อดีจนน้องประเสริฐนะชื่อดีนะประเส ร, ริฐแต่คนอยู่นั้นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องประเสริฐหลวงปู่ประเสริฐอยู่แล้วนะใครจะว่ายังไงก็ประเสริฐอยู่แล้วมีชื่อผมนีชื่อสินทะรัพนฮะนะนะนะคนชอบเนาะสินทะรัพ แต่ไม่ค่อยมีนี่แต่ชื่อมันกันแหะมปฏิบัติุมเงนไปทางบนนั่นผมอยให้ไปที่ได้ทำ